หลักการส่งเคราะห์ญาติหลักการส่งเคราะห์ญาตินี้ไม่มีหลักธรรมโดยเฉพาะจึงอาจปฏิบัติตามหลักสังหะวัตถุสี่หรือหลักการส่งเคราะห์สองคือส่งเคราะห์ด้วยสิ่งของและส่งเคราะห์ด้วยธรรมก็ได้หรือจะปรับเปลี่ยนจากคำสอนที่ปิดานางวิสาขาสอนบุตรสาวก็จะได้ว่า